เราเติบโตมาได้ทุกวันนี้เนี่ยนะท่านผู้ฟังจนเป็นตัวใหญ่ขึ้นมามีร่างกายมีหน้าตามีแขนขาโตขึ้นมาได้เนี่ยพระเจ้าตรัสไว้ว่าคือเราทั้งหลายทั้งปวงมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดคือเกิดมาจากมารดาบิดานี่แหละแล้วไอ้ที่โตขึ้นมาได้เนี่ยก็ด้วยข้าวสุกด้วยขนมสดแล่วก็หมายถึงอาหารการกินที่เรากินเข้าไปดื่มเข้าไป ที่เรากินดื่มเข้าไปมันก็มีการเปลี่ยนแปลงปรุงแต่งเนะี่ปรุงแต่งตัวมันเองออกมาเป็นอุจจระเนะีปรุงแต่งร่างกายของเรานะีให้เติบโตขึ้นมาจะมีลักษณะปรุงแต่งตัวมันเองแล้วก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นๆไปพร้อมๆกันร่างกายของเราจึงเป็นของปรุงแต่งจึงเขาเรียกว่าเป็นสังขารอย่างหนึง่งเป็นสังขารร่างกายที่เป็นอยู่ในส่วนของรูปนะี่ยเป็นของแข็งของเหลวกา๊าซ เป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอยู่ในร่างกายของเราไอ้การที่เราได้ไปกินไปลิ้มไปดื่มอาหารเนะ่ยที่พระเจ้ายกตัวอย่างก็มีข้าวสุกนะมีข้าวต้มมีขนมสดพวกนี้เป็นอาหารที่การกินที่เรากินได้ดื่มได้ในะร่างกายเติบโตขึ้นมาจนเป็นผู้เป็นคนใหญ่จนบัดนี้ได้แล้ถ้าพูดถึงเรื่องของอาหารการกินนะี่ยมันก็ต้องหนีไม่พ้นเรื่องของรสชาติของอาหาร แต่ว่าอาหารแต่ละแบบแต่ละอย่างมีรสชาติอย่างไรเขาทํำยังไงแต่เวลาที่เราไปกินบางคนก็ถึงขนาดว่าไปแสวงหากินนะที่นั่นเขาลงนิตยสารว่าอร่อยเอาก็ไปกินในะที่นี่เครื่องดื่มเชน่นทีนี้แต่ก็โฆษณาฟังแล้วมันน่าดูดีเอาก็ไปดื่มแตนะ่ที่นั่นที่โน่นที่นี่ไปกินไปดื่มไปเที่ยวไปลิ้มแตนะ่เครื่องดื่มอย่างนั้นอาหารอย่างนี้่นะไปทั่วไปหมด ขาพเจ้าก็เป็นอย่างนั้นสมัยยังเป็นคาราวาไปหมดนะเขามีโฆษณาอะไรลงนิตยสารที่ไหนใครแนะนํำยังไงเราก็ไปกินไปดื่มไปดูไปหาประสบการณ์หรือว่าบางคนเราก็อาจจะเคยเห็นไปชิมที่นั่นเขาบนไปด้วยวให้รางวัลไปด้วยแนะนําไปด้วยวไปกินที่นี่เราก็ให้รางวัลตีตราไว้อร่อยไม่อร่อยอย่างไรเรื่องนี้เป็นลักษณะที่เขาทำเนี่ย เพราะว่าปกตเิเวลาที่เรากินอาหารอะไรก็ตามกินคนเดียวเนี่ยมันไม่อร่อยแต่มันก็ต้องแบ่งคนอื่นกินด้วยแต่การที่มาแนะนำํำหรือบอกคนอื่นก็เป็นลักษณะการที่แบ่งกันกินที น, นี้พอเราไปกินที่นั่นที่นี่มานะกินอาหารอย่างนั้นอย่างนี้ดื่มเครื่องดื่มอย่างนั้นอย่างโน้ตแล้วเนี่ยกินดื่มลิ้มเคี้ยวพวกนี้ไปแล้วนต่มันก็ทําให้เรามีความพอใจได้ในระดับหนึ่งจะเป็นท่บบานบุฟังก็ตาม หรือใครก็ตามล่ะกินอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งที่ถูกปากแล้วมันก็พอใจในระดับหนึ่งเรียวามีความอิ่มแน่นอนมันต้องอิ่มท้องนใจเราได้กินอาหารอะไรแล้วก็พอใจก็ อ, จ อ, อิ่มใจใระดับหนึ่งแต่พรุ่งนี้มันหิวต่อแต่อาทิตย์นี้กินอิ่มแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราวางแผนแล้วว่าเราจะไปกินที่ไห น, นเราจะหาอะไรกินเราจะไปกินกับใครใเดีจะชวนใครไปกินด้วยจะไปกินนี่ต้องเตรียมอะไรเดี๋ยต้องไปเส้นทางไหน ว่ามันเป็นเรื่องที่เราก็ต้องมาคิดอีกไหนมายิวอีกนหนมากินอีกไหนกินอีกดื่มอีกไปเรื่อยๆนะอันนี้เป็นลักษณะของอสิ่งที่เราจะได้มาจากภายนอกไหนะร่างการเราจะอยู่ต่อไปได้มันก็ต้องกินอาหารไหนะไม่อาหารอ่อนก็ต้องอาหารแข็งไม่อาหารข้นก็อาหารเหลวอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งไม่กินทางปากไม่ได้ก็ให้ทางเป็นอาหารเหลวทางสายอย่างนหะนมันต้องมีกินดื่มเคี้ยวลิม้ม ในะร่างกายมันจึงเป็นไปได้มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าความที่ปกติของร่างกายเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นต่ไม่ต้องเติมอยู่เรื่อยมันไม่อิ่มได้มันไม่พอได้แต่พระเจ้าจึงบอกว่าความหิวเนี่ยเป็นโรคอย่างยิ่งแต่หรือแม้ความพอใจทางลิ้นแต่เราไม่สามารถที่จะทําให้อิ่มให้เต็มให้เติมได้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ต้องอยากอีกต้องการอีกหิวอีกลักษณะเดียวกันนี้แหละท่านผู้ฟังแต ล, ลักษณะเดียวกันนี้ ที่ว่าเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าแต่พอเรามาบวชในธรรมะวันนี้นี้ได้ศึกษาเรื่องของศีลเรื่องของจิตเรื่องของปัญญาทำความรู้ความเข้าใจในจิตให้จาแจ้งมากขึ้นเนี่ยเหมือนกับพระเาเนี่ยมีอาหารหลากหลายอย่างให้เราชิมให้เรากินให้เราดื่มนะชิมอันนี้เออเอ อ, อันนี้มันยังไม่อร่อยฮะยังไม่เข้าใจเอายกไปก่อนเราก็ไปชิมอีกอย่างหนึ่งกินอีกอย่างหนึ่งเอออันนี้อร่อย นะาอะร่อเราก็กินกินแล้วมันอิ่มแล้วมันอิ่มอยู่ในใจเป็นรสชาติแห่งธรรมเราอิ่มอยู่ในใจแต่กินอาหารประเภทนี้กินข้อปฏิบัติอันนี้แม่มันสบายใจใจเราอิ่มเราเต็มขึ้นมานต่ไม่ใช่แค่แป๊บเดียวแต่มันอยู่ได้นานพอได้ลิ้มรสแห่งธรรมที่พระพเจ้าประกาศเอาไว้เนี่ยกินคนเดียวมันกินไม่อร่อยต้องฟังไม่อร่อยนี่หมายถึงว่าอร่อยไม่พอมันก็ต้องแบ่งกันกิน ประสูตรไหนเรื่องราวไหนที่มันน่าสนใจมันฟังแล้วมันซึ้งใจมีความร่าเริงแจ่มใสพูงไง่ายกินแล้วมันแซบ่บมันรอยแล้วก็มาแบ่งให้ท่านผู้ฟังกินนะกินแล้วก็จะได้ม่วนได้ชื่นได้ร่าเริงแจ่มใสมีความสบายใจมีความอิ่มอยู่ในใจนี่คือรสชาติแห่งธรมรมะท่านผู้ฟังรสชาติแห่งธรรมะรสชาติแห่งอมตะที่ปุรรช่าเนี่ยได้เป็นคนลิ้มรสครั้งแรก แล้วแน่นอนกินคนเดียวมันกินไม่อร่อยมันก็ต้องแบ่งคนหนึ่งกินนะใครละ่ะจะมารู้รสแห่งธรรมนี้ได้มาเข้าใจมาสามารถรับรู้อมตะรสนี้ได้แล้ว ก, ก็จึงได้หาคนที่มันพอจะมีลิ้นมีดวงตาที่จะเห็นมีลิ้นที่จะได้ลิ้มรสมีดวงตาที่จะได้เห็นคุณค่าอย่างนี้ก็ได้ไปเจอเหล่าปัญจวัคคีย์ทางฮานั่นจะเป็นครั้งแรกที่เราว่าจัดอาหารเมนูพิเศษ นะเสิร์ฟไปทั่วเดนะีบอกวิธีกระบวนการทําสูตรอาหารต่างๆให้เอาไว้นะใครทํากินได้ทันทีเอาที่ปรุงเสร็จแล้วก็มีเอาไปกินได้เลยกินเสร็จมันก็สืบต่อกันมากินคนเดียวมันอร่อยมันอิ่มมันเต็มขึ้นมาร่าเริงแจ่มใสแซ่บร้อยมวลชื่นขึ้นมาก็แบ่งคนอื่นกินด้วยนะแบ่งกันมาเป็นรุ่นๆถอยทอดกันมาตลอดกินยังไม่หมดเลยท่านผู้ฟังรสชาติแห่งธรรม ธรรมะมันกินไม่หมดมันไม่เหมือนกับขนมเค้กแบ่งแล้วมันหมดเราแบ่งให้เขาเราหมดเขาได้แต่ธรรมะเราแบ่งออกให้เขาเราไม่หมดเราได้เขาก็ได้อิ่มกันทั้งคู่มันอร่อยยิ่งขึ้นมันดียิ่งขึ้นจนกระทั่งมาถึงข้าพเจ้าในบัดนี้นได้อ่านพระสูตรไหนเรื่องราวใดที่มันลึกซึ้งมันแจ่มแจ้งมันมีความแจ่มใส อ่านเข้าไปแล้วศึกษาแล้วใจของเรามันวางลงไปแล้วมาแบ่งพันให้ท่านผู้ฟังฟั ง, ฟงกินด้วยกันครูเจ้าเคยตรัสไวนะ้คนที่กโกรธมาเรากโกรธตอบคนที่ขึงเครียดมาเราขึงเครียดตอบคนที่ทำอะไรให้เราไม่พอใจเราโต้อตอบเขาอันนี้ชื่อว่ากินด้วยกันดื่มด้วยกันเสพด้วยกันนะซึ่งถ้าเขาโกรธมาเราไม่กโกรธตอบนะชื่อว่าไม่ได้กินของเขาแต่ถ้ามีธรรมะมา เป็นธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วเราทําความเข้าใจให้ลึกซึ้งได้ลิ้มรสแห่งธรรมะนี้ให้ใจมันเย็นมันวางลงไปนั้นก็ชื่อว่ากินด้วยกันบางคนฟังแล้วรู้สึกมันเข้าใจมันลึกซึ้งมันมีความแจ่มแจ้งขึ้นมาในใจก็ชื่อว่าแบ่งกันกินแล้วนั้นตัวเองได้ชิมลิ้มรสธรรมะอย่างนี้แต่ผู้ฟังกินคนเดียวมันก็อร่อยระดับหนึ่งแต่แบ่งคนอื่นกินด้วยยิ่งอร่อย ในยิ่งดีเพราะฉะนั้นเราได้รสชาติแห่งธรรมะเราลิ้มรสธรรมะลิ้มรสแห่งอมตะธรรมที่พระเจ้าประกาศเอาไว้แล้วเนี่ยพระเจ้าตรัสมาอย่างนี้บอกว่าใครบุคคลใดก็ตามนั่วจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องเป็นมารดาบิดาเป็นญาติสายโลยอะไรต่างๆที่เราพูดแล้วเขาพอจะฟังแต่ควรที่จะให้เขาเนี่ยชักชวนให้เขา มารู้ในอริยสัจสี่ถ้พูดภาษาบ้านเราง่ายๆคือแบ่งกันกินนั่นแหละแบ่งธรรมะนี้ให้คุณหนึ่งกินด้วยให้เขาได้ลิ้มรสแห่งธรรมะให้ลิ้มรสแห่งอมตะธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ทีแล้วนี่ไม่ใช่ยาเสพติดนะหรือยาเสพติดเป็นสิ่งที่มีโทษเป็นยาพิษเป็นของไม่ดีใช่ไหมเรากินแล้วเราเป็นโทษเนี่ยเราไม่ควรจะแบ่งให้คุณหนึ่งกินแต่มันเป็นของเป็นโทษ ในอะย่างพวกที่เขาเสพยายกันเขาแบ่งให้คนอื่นสูบจนตั้งติดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขามีวาระซ่อนแฝงมีเจตนาร้ายมีเจตนาไม่ดีแต่ธรรมะที่พรุทธเจ้าประกาศไว้อย่างดีเป็นของบริสุทธิ์บริบุรณสิ้นเชิงเป็นของที่ไม่มีมนทินแล้ามาเปรียบเทียบกับอาธรรมนะสิ่งที่เป็นธรรมะเปรียบเทียบกับสิ่งที่เป็นอาธรรมแต่สิ่งที่เป็นธรรมะนั่นคือสิ่งที่พุทธเจ้าประกาศเอาไว้พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้ว่าอันนี้ดีนะ อันนี้ไม่ดีนะอันนี้เป็นสุขนะเป็นประโยชน์นะอันนี้เป็นทุกข์นะเป็นโทษนะระวังนะื้อแยกแยะเอาไว้ให้เห็นแต่ในทางตรงกันข้ามสิ่งที่เป็นอธรรมเกิดจากคนที่มีมนตินเนะื้คนที่มีมนตินมีจิตไม่บริสุทธิ์เนะื้อได้ประกาศสิ่งที่เป็นอสัตธรรมอาไว้หลายอย่างหลายเรื่องหลายแนวในะอยู่ในปัจจุบันมีเยอะแยะไปหมดแล้วอย่าไปกินสิ่งนั้นอย่าไปเสพสิ่งนั้น อย่าไปลิ้มอย่าไปลองบางทีมันเป็นยาพิษเนี่ลิ้นเราก็ไหมาร่างกายเราก็เจ็บป่วยก็ต้องหลิกออกซะบางทีมันเป็นยาเสพติดนะเราอ่านข่าวนี้ก็อายซ้ําอยู่นั่ น, นรเรื่องราวอุดมการณ์แบบนี้ก็ดูซ้ําดูย้ําไปเอ๊ะแทนที่ร่างกายเราจะดีขึ้นจิตใ จ, จแจ่มใสขึ้นเอ๊ะมันกลับถึงเครียดมากขึ้นโกรธมากขึ้นจิตใจเปลี่ยนแปลงไปอ่านั่นเป็นยาเสพติดนะอย่าไปลิ้มอย่าไปลองอย่าไปกินอย่าไปดื่ม แต่ให้มาหาสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อจิตใจของเรานั่เราบริโภคฟังหรือว่าดื่มลิ้มสิ่งไหนแล้วจิตใจมันเย็นจิตใจมันสบายบางครั้งอาจจะฝาดลิ้นหน่อยมันไม่เคยกินไม่เคยดื่มหรือว่าอาจจะไม่ถูกปากหน่อยแต่ว่าอาหารประเภทนี้กินแล้วมันจะทาให้ร่างกายมีสุขภาพดีมีความอิ่มอยู่ข้างในนั่นคือธรรมะอันพระผู้มีพระป่าประกาศไว้ดีแล้ว นะให้ทําให้ดื่มเข้าไปข้าพเจ้าเอาอาหารมาเสิร์ฟต่อหน้าท่านผู้ฝังผ่านทางรายการวิทยุแม้ถ้าเอื้อมมือไปได้จะเร่งวอลลุ่มให้มันดังๆหน่อยหรือถ้าเอาป้อนใส่ได้นี่จะจับยัดเข้าไปในปากให้แต่ยัดให้ไปแล้วแม้มันไม่เคี้ยวใช่ไหมเคี้ยวให้เลยบดให้ละเอียดใส่เข้าไปแต่พอเข้าไปในตัวเองแล้วท่านต้องย่อยเองแต่ท่านต้องทําให้แจ่มแจ้งเองแลต้องฟังเอง ฟังด้วยจิตของเราแต่ต่อให้เขามาเปิดข้างเตียงไฟฟังแต่ถ้าหูมันมืดหูมันดับมันไม่ฟังเนี่ยมันก็ไม่ได้ข้าพเจ้าเคยเจออตไปฟังหลุ่คนเจ็บป่วยไขย้อายุแปดสิบกว่าแล้วเป็นมะเร็งขั้นสี่แต่หมอก็ไม่รู้จะตัดตรงไหนเพราะว่ า, วามันรามไปทั่วแต่วิธีรักษาก็คือแก้ตามอาการแต่บอกว่าให้ฟังธรรมะไม่ฟังไม่ชอบฟังประเทศไม่ฟังอก เอาเะงั้นก็พูดคุยเรื่องอื่นก็ได้แต่การเห็นสมณะเป็นการดีก็ไม่เห็นไม่ไปแตนะ่ไม่ไปเยี่ยมวังกันเถอะเอางั้นไม่ไปเยี่ยมเอาไปใส่บาตรก็ได้นะไปขอบิณฑบาตแต่ใส่บาตรสักทัพีหนึ่งนะก็บอกว่าเดี๋ยวหายแล้วค่อยจะไปใส่บาตรนะั่นอายุแปดสิกว่าเป็นมะเร็งขั้น4ี่อาจจะหายก็ได้ไม่แน่แต่ว่าเราประมาทแต่คือบางคนเนี่ยเราเอาอาหารดีๆดีๆ เอาให้เขากินเขาไม่กินนําไม่เห็นคุณค่าไม่อร่อยเราจะทํำยังไงท่าไม่ทธองค์จะทํำยังไงแต่สมมติเรามีลูกเราก็อยากให้อะไรดีๆกับลูกของเราคิดว่ามันจะเติบโตมันเป็นคนดีเรียนพิเศษก็พาไปเรียนเข้าโรงเรียนกับเรียนดีที่สุดเสื้อผ้าดีๆอาหารดีๆหามาให้กินให้มันใช่แต่พอให้กินอาหารดีๆมันบอกไม่กินอันนี้ไม่ไม่ไม่อร่อยไม่เอา ถ้าไมฟังจะรู้สึกยังไงคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็เหมือนกับบางทีครับประชาชนไปโรงพยาบาล น, นี่แหละไปแล้วแล้วบังคนเขาไม่อยากให้เรากอบเยี่ยมแรืไม่อยากจะใส่แม้จะใส่บาทรหรืไม่อยากแม่ที่จะสร้างบุญทั้งๆที่มันเป็นสิ่งดีก็ไม่ทําก็คือถ้าพ่อแม่ที่ฉลาดเนี่ยก็จะเลือกเฉพาะบางส่วนสมมุติอาหารมาจานใหญ่ๆจานใหญ่ๆมีทั้งผักมีทั้งอาหารที่ดีมีต่อคุณค่าต่อสุขภาพ ถั่วประเภทนี้หนังงาประเภทนั้นอาหารอะไรต่างๆก็กนะ็ถ้าเขาไม่กินนะบางส่วนจานใหญ่ๆเนี่ยมีอาหารเยอะแยะเนี่ยไม่กินตรงไหนก็เอาออกไปก่อนก็นไดนะ้ส่วนไหนที่กินได้ทั้งจานใหญ่ๆเนี่ยมันน่าจะมีกินได้สักส่วนหนึ่งนะไอ้ตรงนี้ดําๆสีนี้อไม่ชอบเกลี่ยไปก่อนแล้วนะก็กินเฉพาะอาหารดีที่เราจะกินได้เอาให้ลูกกินนะมันกินตรงไหนได้มันก็กินมันยังเด็กอยู่มั น, นอาจะยังไม่เข้าใจ เราก็เลือกสัรให้มันถูกต้องนอันะไหนที่มันยังยากไปสําหรับเขานะเราก็ให้เฉพาะสิ่งที่เขาจะเข้าใจก่อนเหมือนกนารทำมาในทำฝังนบะุญเจ้าเสิร์ฟมาแล้วชงมาเรียบร้อยนะให้ดื่มละนเะตรียมให้เรียบร้อยทั้งส่วนประกอบเครื่องปรุงอะไรต่างๆบางอย่างสําเร็จรูปมาให้เลยสาว้องในสมัยนั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกท่านทุกรูปทุกองค์เนะจะกินแล้วจะอร่อยเหมือนกันหมดบางองค์บางท่านก็กลับศึกษาไปเป็นอย่างอื่น มีความเห็นผิดมีความเข้าใจไม่ถูกต้องอย่างพระเถระตาเป็นต้นส่วนที่ดีก็มีสมัยนี้ไม่ต่างกันท่านผู้ฟังไม่ต่างกันคนที่จะเข้าใจธรรมะคนที่จะลิ้มชิมแล้วมันอร่อยได้เข้าถึงรสแห่งอมตะได้เข้าถึงรสแห่งธรรมะมีแต่ที่ไม่เอามันก็มีแต่เราไม่ได้เพ่อจะช่วยได้ทุกคนไม่ใช่ว่าทุกคนในโลกนี้ร้อยเปอร์เซนจะเข้าใจธรรมะได้ไม่ได้ มันจะมีส่วนที่เรียกว่าเขาหากินเองได้ก็มีนะ่ยพวกนั้นก็มีแตนะ่มีส่วนที่เรียกว่าต่อให้เราป้อนจับยัดใส่ปากมันก็ยังคายออกเนะ่ยประเภทที่สองอย่างนี้ก็มีแล้วส่วนที่3ไม่รู้มากหรือน้อยที่ว่าพอเราให้เขากินเขากินแล้วอร่อยนะ่ยถูกต้องตามจุดประสงค์ของอาหารคือธรรมะที่เราแบ่งกันกินนี่แหละประเภทที่3อย่างนี้ก็มีแตนะ่ประเภทแรกก็คือเปรียบเหมือนกับ คนที่ถึงแม้จะไม่ได้เห็นบา ร, รุชาไม่ได้ฟังธรรมะที่พระพุทาประกาศไว้ก็สามารถที่จะเข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้นั่นคือหากินเองได้นะกินตรงนี้อร่อยกินตรงนั้นอร่อยเขาก็แบ่งปันคนอื่นอันนี้คือคนที่เข้าสู่ในกุศลธรรมลิ้มรสแห่งธรรมะได้ถึงแม้จะไม่มีใครแบ่งปันก็ตามนะเข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้ส่วนอัประเภทที่สองเให้เราจับป้อนจับยัดใส่ปากมันยังคายออกมาเนี่ย คือประเภทที่ต่อถึงแม้จะได้เห็นพระพุทธเจ้าถึงแม้จะได้ฟังธรรมะของพระเจ้าก็ตามก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้นอยู่ตอนหน้าสับให้กินย่อยให้แล้วมันก็ยังไม่กินไม่เอาเปลี่ยนขื้นหนีหลบหลบฟังหรือฟังแล้วไม่เข้าใจแตะมีความเคลือบแคลงความระแวงแบบนี้ก็มีส่วนประเภทที่3คือเราๆท่านๆ น, นี่แหละตำรวงที่ฟังรายการอยู่ ฟังแล้วรู้สึกว่าธรรมะนี่มันจำชัดจำแจงแต่คือตอนเมื่อได้ฟังธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศเอาไว้หรือได้เห็นบรรพุทธาได้เห็นบระพุทธเจ้าหรือได้ฟังธรรมะุชาประกาศเอาไว้ต่อต่อมาก็สามารถมาสู่คลองแห่งกุศลธรรมไดต้ตั้งจิตเอาไว้ให้จิตสงบได้เย็นได้มีความอิ่มอกอิ่มใจได้มันม่วนชื่นร่าเริงมันเทิงอยู่ในใจฟังแล้วมันร้ออ ย, อยู่ฟังแล้วมันแซบอยู่ มีความแจ่มชัดเกิดขึ้นในใจแต่พระได้ฟังธรมรมที่บุชาประกาศเอาไว้แบบที่สมนี้ก็มีในสามแบบนี้เราจะเป็นแบบไหนเราเลือกเอาแต่ขออย่าให้เป็นแบบที่สองขอให้อย่าว่าไปเสิร์ฟถึงหน้าห้องก็ยังไม่เปิดประตูเปิดประตูเข้าไปเองไปวางไว้ข้างหน้าโต๊ะก็ยังไม่กินเบื่อนหน้านีนะ้เอาป้อนให้ใส่ปากก็ยังคายทิ้งอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลย คุณรู้ไหมว่าอาหารเนี่ยว่ามันจะเตรียมได้นยมันยากมากขนาดไหนอิติปี๋ย e จําได้ไหมอิติปี๋ยแต่เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเนี่ยจึงมาตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะเป็นผู้ที่ไกลาจากกิเลสไออิติปี๋นี่มันไม่ใช่ว่าข้ามวานันข้ามคืนมันจะทําได้นะมันเสียสงไข่แสนหมากับบวกกับอีกก่อนหน้านั้นนานกว่าอีกสี่เท่าสิบกเท่ามันไม่ใช่ง่า ย, ายๆที่จะเตรียมมาได้จนถึงป่านนี้เตรียมมาได้ อาหารสาเร็จรูปออกมาแล้วพร้อมเสิร์ฟที่นูน่นป่าอีสีปัตนามฤองยอนแนเสิร์ฟครั้งแรกให้กินอยู่จนถึงมาป่านี้ส่งต่อกันมาเป็นรุ่นรุ่นมันไม่ได้เน่านะมันเป็นอาหอมตะมันจึงไม่เนา่าแล้วตกทอดมาถึงเราแม่ไม่ได้กินนี่มันมันเสียดายไม่เข้าใจธรรมะมันเสียดายไม่รู้ไม่เห็นธรรมะในช่วงชีวิตที่เรามีอยู่จะสั้นก็ตามจะยาวก็ตามมันเสียดายทต็ฝั่ง อย่าประมาทอย่าทําตัวเป็นคนรกโลกอย่าทําตัวเป็นคนประมาทของดีมีอยู่ให้ฟังให้ทําให้ปฏิบัติเราฟังเราทําเราปฏิบัติแค่วันเดียววันหนึ่งคืนหนึ่งที่เราทําเราฟังเราปฏิบัติแม้แค่วันหนึ่งคืนหนึ่งนั่นน่ะดีมากแล้วนชีวิตของเราในช่วงหนึ่งวันหนึ่งคืนนั้นไม่เสียเปล่าตอนนี้เรายังมีหูยังฟังได้ทําได้ มีใจยังคิดใกล้ครควนปฏิบัติได้ทําเลยอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังบางทีร่างกายหูมันฟังไม่ได้แนละ้วหูมันดับแล้วฟังไม่ได้ยินแล้วเราก็ต้องพูดดังๆแล้วก็ไม่ได้ยินหรือบางทีเรานอนพผ ง, งาบพผ ง, งาบอยู่เข้าแทงคอใส่เครื่องช่วยหายใจอย่างนี้เป็นต้นเนจะมาใส่บาตรพระก็ยากจะมาทําความเข้าใจธรรมะก็ยากแต่อย่าต้องร้อนใจในภายหลังให้วันนี้บัด น, นี้เดี๋ยวนี้เราอย่าเป็นผู้ประมาทให้ทําความเพียร ให้เห็นธรรมะให้ศึกษาธรรมะให้ทำให้ดีให้ชิมให้ลิ้มให้ดื่มธรรมะที่พระเจ้าได้ได้ปรุงเอาไปแล้วปาส่วนที่มันจะสกปรกปาส่วนที่จะเสียเสียออกนนั้นเหลือไว้แต่เนื้อล่ำๆของดีๆที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ไว้สําหรับให้เรากินมีส่วนขี้ริ้วอันเฉื่อหนอกแล้วควรแท้ที่พวกเธอพูดที่ปฏิบัติด้วยศรัทธาจะพึงปรารบความเปลี่ย น, นั้นด้วยการตั้งอดิฐาน อธิษฐานจิตไปเลยว่าเรานั้นจะทรงไว้ซึ่งกุศลธรรมนะ่ะไม่ย่อหย่อนในการทำความเปลี่ยนให้ใจเราตั้งอยู่ในกุศลมีอกุศลใดๆโผลขึ้นมาก็สละละฟันมันทิ้งถ้าเราไม่ทำอย่างนี้มันไม่แน่นะถ้าเราป่วยเราเจ็บเราเป็นไข้ขึ้นมาเห็นอยู่เยอะแยะตามโรงพยาบาลทั่วไปนฟังนะบางประตูเปิดเข้าไปนะญาติ ด, ด่ากันทะเลาะกัน อยู่ต่อหน้าคนไข้คนไข้ก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงเออะไรจะเป็นที่พึ่งได้อ้จะเอาดนตรีเป็นที่พึ่งหรือจะเอาหนังสือการ์ตูนเป็นที่พึ่งแต่ตามโรงพยาบาลเห็นเละแยะหนังสือธรรมะอะไรต่างๆแต่ก็อยู่ตามชั้นแต่ไม่มีคนอ่านคือบางคนอ่านเขาก็มีนะคนที่ไม่อ่านบางห้องเปิดเข้าไปแต่ไม่สนใจดูแต่ทีวีมันก็มีถึงเวลานั้นแล้วมันจะมาทําความเข้าใจธรรมะ ก็สามารถทําได้อยู่แต่มันจะยากและเราอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังให้เป็นผู้ที่ว่าถึงแม้ความป่วยจะมาถึงเราถึงแม้ความเจ็บไข้จะมาถึงเราเราก็ยังเป็นผู้ที่ผาสุขอยู่ได้ถึงแม้ความทุพพลภาพถึงแม้ความที่อาหารหายากถึงแม้อุปสรรคใดๆจะมาอยู่ต่อหน้าเราเราก็ยังเป็นผู้ที่ผาสุขอยู่ได้ตอนนี้นะมันเริ่มนะท่านผู้บังมันเริ่มแล้วบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปความทุกข์ยากต่างๆอะไรปรากฏขึ้นได้เห็นเป็นหย่อมเป็นหย่อม แต่ถ้ามันมารวมกันหนักขึ้นหนักขึ้นจนถึงจุดที่เรียกว่าต้านทานไม่ได้แเราจะยิ่งลําบากใจถึงวันนั้นแล้วเราจะมีความลําบากเป็นประการต่างๆเราหยา่บไปต้องให้ไปถึงวันนั้นเลยมันอาจจะมาก็ได้มันอาจจะไม่มาก็ได้แต่นี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าเตือนเอาไว้ถ้าเมื่อมันมาแล้วเราจะทําไงให้เราเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ให้กินตอนนี้นะบุฟังกินตอนนี้ลิ้มตอนนี้ดื่มเดี๋ยวนี้ ดื่มรสแห่งธรรมะลิ้มเดี๋ยวนี้แหละว่ารสชาติเป็นยังไงนะฝึกใคร่ครวนทําความแจ่มแจ้งให้เกิดขึ้นใน ใ, นใจมีสติอยู่ไหมลึกถึงลมหายใจอยู่ได้หรือเปล่านะอันน้วรนความฟุง้งซ่านความบ้าบ้าบ า, บาความคิดอกุศลความคิดด่าคนนั้นว่าคนนี้นะเอาออกไปได้ไหมแทนที่เราจะเอาสิ่งอะไรที่มันจะมายั่วยวนทําให้เราลุ่มหลงเพลิดเพลินไปเราเอาสิ่งอื่นมาใส่ดีกว่าไหมนะสิ่งที่จะทําให้มีความแจ่มชัด แจมแจ้งนะให้มีสติให้มีสติแจ่มชัดให้มีสติไม่ลืมหลงให้มีการสงบระงับไม่กระวนกระวายให้มีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์อันเดียวเราทำอย่างนี้นะแม้แต่ตัวเราตัวเราก็ได้ประโยชน์ทำกับพ่อกับแม่เราแต่พ่อแม่เราก็ได้ประโยชน์แต่เป็นการตอบแทนบุญคุณท่านอย่างพอที่จะเสมอกันแต่เป็นความแสดงความกตัญญูตอย่า ไ, ไปหาสิ่งอื่นที่มันจะเพลิดเพลินหากินอร่อย หาของกินที่มันจะอร่อยลิ้นนั้นไม่ใช่การตอบแท น, นันสูงสุดแต่ถ้าเมื่อไรเราเอาธรรมะให้ท่านรู้ได้ให้มีศรัทธาให้มีศีลมีจักข้ามีปัญญาให้รู้ทำเห็นธรมเอารสแห่งธรรมให้ท่านลิ้มอยู่ในใจนั้นเป็นความกระตันอยู่อย่างยิ่งนะเป็นความที่เราจะตอบแทนบุญคุณของท่านได้อย่างสูงสุดเรากินอร่อยแล้วรู้รสแห่งธรรมะมากก็ตาม น้อยก็ตามแล้วแบ่งคนอื่นบ้างแบ่งคนอื่นเขาให้ได้ชิมได้ลิ้มอย่าไปคิดแทนเขาว่าเฮ้ยเขาไม่เข้าใจหรอกแต่คุณเป็นพ่อเป็นแม่อาสมมติคุณเป็นข้อพ่อเป็นแม่อะไรดีดีที่สุดนะ่ะหามาให้ลูกหมดลูกไม่กินจะต้องบังคับมันกินเหมือนกันละ่ะเราอย่าไปคิดแทนคนอื่นเขาว่าเอ้ยนี่จะดีเขาหรือเปล่าไม่ดีเขาไหมแบ่งไปเลยแต่อะไรที่เรารู้สึกว่าเราดีเราก็แบ่งกันให้กันไม่มีหมดได้ไหฟังธรรมะไม่มีหมด กินกันจนป่านี้2000กว่าปียังไม่หมดเลยที่ไม่บ่นเนี่ยเพราะแบ่งกันกินคือถ้าไม่แบ่งกันเนี่ยมันจะหมดแต่ถ้าแบ่งแล้วกินไม่หมดแบ่งกันได้ให้กันได้ยิ่งให้ยิ่งงอกงามยิ่งให้ยิ่งดียิ่งให้ยิ่งเจริญหรือได้บุญด้วยเขาได้อิ่มด้วยอย่าแอ บ, บกินคนเดียวกินคนเดียวไม่ดีมันตรรนีเอาความตระรนีนั่นออกแล้วแบง่งคนอื่นแลแบ่งรสชาติแห่งธรรมะที่เราไดเคยลิ้มแล้ว ดื่มแล้วชิมแล้วมันทำใจของเราให้มีความอิ่มให้มีความเย็นให้มีความพอให้มีความแจ่มแจ้งขึ้นมาแล้วและเราแบ่งปันสิ่งนี้ให้คนอื่นให้เขาได้รู้ทำให้เขาได้ลิ้มทำให้เขาได้เห็นธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วเป็นของที่บริสุทธิ์บริพุ์สิ้นเชิงแล้วการแบ่งกันกินนี้ก็ไม่ใช่ว่าไปจับยัดให้เขากินล่ะเดี๋ยวเขาจะโกรธ แต่เราก็เลือกสารชนไหนที่เขาจะกินได้รับได้และพิจารณาได้ให้ถึงรสชาติแห่งธรรมได้น้อยก็ตามมากก็ตามก็ตามภูมิปัญญาของแต่ละท่านแต่ละคนเราอย่าไปจับยัดอย่าไปยัดเยียดอย่างนั้นแต่มันจะเป็นความคัดเครื่องต่อเขาแต่นำเสนอในสิ่งที่เขาจะเลือกได้พิจารณาได้เข้าใจได้นั่นจะเป็นการดีไม่ใช่ว่าของธรรมนี้อยู่กับพระพธเาธรรมนี้ไม่ได้อยู่กับข้าพเจ้า จะอยู่ทั่วไปหมดอยู่ตามต้นไม้อยู่ตามภูเขาอยู่ตามหนังสืออยู่ในรถอยู่ในเรืออยู่ในอากาศอยู่ในท่าสี่ดินน้ำไฟลมเราจับตรงไหนชี้ไปตรงไหนตรงนั้นเป็นธรรมะได้หมดเราเห็นความจริงได้หมดเห็นแจ่มแจ้งได้หมดให้เราเห็นเวลาเห็นเวลาลิ้มเนี่ยมันใช้อะไรเห็นมันใช้ใจนี่แหละใช้ใจที่เราจะเห็นได้ลิ้มได้เมื่อลิ้ม เมื่อกินเมื่อดื่มอย่างนี้แล้วเราอิ่มใจได้เราเย็นใจได้แต่มันแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะท่านผูฟังเมื่อได้ลิ้มรสธรรมะแล้วเนี่ยมันหายหิวก็จริงแต่มันก็ยังลิ้มยังกินธรรมะได้เรื่อยเรื่อยคิดว่าจะอิ่มแล้วแต่ก็ยังกินได้เรื่อยๆเหมือนไม่อิ่มยังมีความลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยเรืเมื่อวานศึกษาแล้ววันนี้ก็อยากจะศึกษาอีกเช้านี้นั่งสมาธิจิตสงบแล้ว เย็นนี้ก็อยากจะนั่งสมาธิให้มันสงบลงไปอีกเมื่อวานฟังธรรมะเข้าใจลึกซึ้งแล้ววันนี้ก็อยากฟังธรรมะอีกเหมือนมันไม่อิ่มไม่พอคนที่ฟังธรรมะแล้วได้ธรรมะเนี่ย่าฟังมันจะเป็นอย่างนี้คือถ้าเรากินตันหาหรือพอกพูนตันหาเนี่ยธรรมชาติของตันหามันจะทำให้เราหิวโหวยเลยต้องสแสวงหาสแสวงหาคิดว่าได้แล้วแต่ก็ไม่รู้สึกอิ่มไม่รู้สึกพอ หรือไม่ก็รู้สึกอิ่มจนเกินไปจนอิ่มตัวอึดอัดทําอะไรไม่ได้เพราะอ้างต่างๆก็เป็นกิเลสขึ้นมานั่นไม่ใช่ธรรมะนั่นคือตัณหาแล้วมันก็มีพิษด้วยพิษของมันคือความเผ็ดร้อนความเรร้อนอันเป็นผลของอกุศลธรรมอาจจะทําให้เราถึงไปขนาดตกนรกหมกไหม้ไปก็ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีธรรมะคือสติปัญญาศรัทธา ความเปลี่ยนไอ้เจ้าอาธรรมคือตัณหามันก็ค่อยลอกออกถอนออกเวลาเราเสพธรรมะบางทีมันอาจจะมีฤทธิ์ของการที่ชําระล้างไอ้เจ้าสิ่งที่เป็นพิษในร่างกายอาจจะทําให้รู้สึกไม่สบายบ้างอะไรบ้างฝืนบ้างอะไรบ้างนั่นคือฤทธิ์ของการที่ชําระล้างกินยาเข้าไปแก้พิษของตัณหาไ่ไนเองและที่เราหายหิวได้ จากการเสพธรรมะก็เพราะธรรมคือความสันโดษความสันโดษคือความพอใจในปัจจุบันที่ทำให้เรารู้สึกพอรู้สึกหายอยากหายหิวซึ่งจะปรากฏขึ้นในใจเมื่อเราเห็นแจ้งในธรรมปัจจุบันคือเมื่อเรามีสติแต่ที่ยังรู้สึกไม่อิ่มยังรู้สึกไม่พอในการฟังธรรมะในการลิ้มรสธรรมะในการสร้างกุศลบาเพ็ญบุญก็ไม่ใช่เพราะว่าความหิวโหวยคือตัณหา แต่เป็นเพราะพลังคือศรัทธาความเพียรพลังของการทําจริงความแน่วแน่จริงพลังของความมั่นคงมั่นใจทําให้ขับดันเราไปในทางกุศลที่เรายังไม่อิ่มไม่พอในการฟังธรรมะในการลิ้มธรรมะในการสร้างกุศลบําเพ็ญบุญมีการให้ทานเป็นต้นนี่ก็ไม่ใช่เพราะความมืดบอดคืออวิชชาแต่เป็นเพราะความแจ่มแจ้งพลังคือปัญญาทาให้มีความแจ่มแจ้งช แสงสว่างโล่งโปรง่งใสขึ้นมาทำให้เราเห็นเห็นช่องทางแล้วมันเดินไปมันทําไปมันไปเพราะอย่างนี้แสงสว่างนี้เราทาหวังถ้าเราจุดขึ้นมาแล้วเห็นแล้วมันจำแจ้งแล้วเนี่ยคนอื่นก็เห็นด้วยคนอื่นก็ได้ด้วยเราแบ่งปันธรรมะนี้ยิ่งแบ่งยิ่งให้ยิ่งงอกงามยิ่งเจริญยิ่งเปิดเผยยิ่งเจริญ วันนี้ข้าพเจ้าพระภัยบูลและพิปุญโนก็ขอลาไปก่อนจเจริญพร